การอย่างนี้เหมาะหรือเกินเหมาะกับอะไรเหมาะกับอะไรรู้สึกว่าทุกคนไม่อยากจะเอ่ยถึงมันเลยนะเออเนี่ยเป็นบทเรียนสอนให้รู้สภาวะนะ ภาวะที่ชื่อว่าทีนามิตะเราชอบหรือไม่ชอบมันมีอยู่มันมีอยู่แล้วก็ที่แน่แคือว่าถ้าเราไม่มองด้วยใจที่เป็นกลางเราตกอยู่ในสภาวะนี้แล้วมันจะรู้สึกว่าเราง่วงง่วงเป็นเราเราคือความง่วง าเราคือความห่วงมันจะบั่นทอนทุกอย่างเพราะเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเรากำลังม่วงเราทำเลยไม่ได้เพราะว่าเรากำลังง่วงไมใจเรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติมีแต่ความตั้งใจว่าอยากจะปฏิบัติแต่ทำไมมันต้องง่วงด้วยอ่ะมึงจะเอาอะไรมาแฝงกับมึงวะเราจะเรียกร้องว่าไม่แฟเลยนี่เราตั้งใจจะปฏิบัติแต่ทไมมันต้องง่วงด้วย เฟกันหน่อยสิคุยกับใครวะใช่ไหมคุยกับใครอ่ะเเฟกฟกันหน่อยฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมนะจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำไมต้องง่วงด้วยโอ้พูดกับใครแท้ที่จริงพ อ, พอความง่วงมันเป็นสภาวะเราตกอยู่ในความง่วงนั้นก็กลายเป็นว่าเราเป็นไงง่วง ความ่วงมันก็เป็นเราเราก็เลยมองไม่เห็นเหมือนกับความโกรธที่เกิดขึ้นพอความโกรธเกิดขึ้นปั๊บเราตกอยู่ในความโกรธเราก็เลยเป็นผู้โกรธความโกรธเลยเลยเป็นเราเราก็เลยเป็นความโกรธมันจะเห็นไหมไม่เห็นบางคนเถียงอีกนะเห็นนะเห็นนะเห็นนะ ไอเห็นนั่นหลยตัวดีเลยกําลังจมเลยเห็นกําลังจมอยู่เลยเ อ, อความพยาบามเป็นสภาวะไหมไหมันเกิดขึ้นปับ๊บใจเราก็ตกอยู่ในอานาจของความพยาบามพอเราอยู่ใ น, นอำนาความพยายามเราเป็นเราตกอยู่ในพยาบาทนั่นหมายความว่าพยาบามเป็นอะไรไเป็นเราเราเป็น าาแท้ที่จริงพยาบาทกับกับเราคนละตัวกันใช่ไหมพยาบาทมันมีเหตุปัจจัยก็มันต่างหากอเกิดตามเหตุปจัจจัยของมันก็มันต่างหากแต่พอเราตกอยู่ในหลุมของพยาบาทพยาบาทแก็เป็นเราขึ้นมาทันทีหนักขนาดนั้นท่านดึงว่าชีวิตตังอั ต, ตภาโวจะสุ ข, ขาาสทุกขะจะชัพปะทุกขะสุขะทุขาากขะจะเกวลา เอกจิตตสมาญาติลหุโสวตาเตกโดแฟมฟามฟาบ า, าชีวิตอัตภาพร่างกายสุขทุกขทั้งหมดเอกจิตตสมาญาติเกิดขึ้นในขณะของจิตดวงเดียวลหุโสวตาเตกโดและขณะนั้นขณะที่จิตในหนุูดวงที่มันเกิดขึ้นในขณะในขณะนั้น ลราุโศกวัตถิกาโดมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขณะจะเกิดดับโดยพลันพลันพลันพลันพลั น, ลนแล้วเราก็อาศัยความโง่ของเราเกิดเป็นอุปท า, านยึดถือให้การเกิดดับที่มันพลันพลันล น, นั้นนอะต่อเชื่อมกันไปเป็นลูกโซ่ ก, กุโกโรธโกรธโกรธกูโกโรธมากจริงๆขณะจิตที่มันเกิดดับเกิดดับที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้นนะ่ะมันขณะจิตเดียวเนะี่ย เรามีอุปทานไปยึดอยู่ในขณะจิตนั้นพอจิตดวงนั้นดับปับ๊บอุปทานที่มีอยู่มันก็เชื่อมให้เป็นลูกโซ่กลายเป็นตัวเดียวกันแท้ที่จริงอะ่ะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับในขณะในขณะในขณะท่าในระหว่างที่มันกำลังโกรธเกิดดับเกิดดับมีอุปทานไปให้มันยึดเชื่อมต่อเป็นลูกโซ่เกิดดับเกิดดับเหมือนกับว่าโกรธมากมากนะนะใครคนใดคนหนึ่งออเอาเข็มไปจิ้มหลังมันจึก๊ก จิตหลุดออกมาจากจิตหลุดออกจากปชาบาทเกิดจิตโดวงใหม่ขึ้นมาใครแทงวะอ้าวมานี่ต่ออีก <c oughs> เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกถูกป่ะเดินเดินเดินเดินไปถึงสะ ด, ดุดเอินปึกหนึ่งสองล้านเอา้าเปลี่ยนอีกแล้ว <c oughs> ความกลบเป็นไงหายไปเกิดอันนี้หมายเตะเตะเกินสองล้านนี่มันจะต้องทําไงต้องหาวิธีเอดเท้ากบกลบไปก่อนหายไปอีกแล้วเออ กลไกคนกลไกที่มันหลอกลวงของพวกกิเลสชาติเรามันก็เหมือนกับลูกลูกฟุตบอลที่กลิ้งไปกลิ้งมาตามแข้งของผู้เตะผู้เตะมันก็คือกิเลสนี่แหละแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์มที่เข้ามาถึงกระทบปุ๊บเปลี่ยนเรากระทบปุ๊บเราก็กระโดดลงไปอยู่ในในทุกอารมณ์แล้วเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น ชื่อมันก็แตกต่างมากมายแต่แท้ที่จริงมันมีไม่กี่ชื่อหรอก hm, มันมีไม่กี่ชื่อหรอกมีอะไรบ้างโลคโกรธหลงตัวหลักๆเลยเนี่ยนี่แม่บทดกินเลือื่นๆที่มีอยู่มันสงเคราะห์เข้าไปอยู่ฝ่ายโรคฝ่ายโกรธฝ่ายหลงนี่แหละข้างฝ่ายตรงกันข้ามมันก็มีอะไรอ่ะมีไม่โลคไม่โกรธ ไม่โลภโอ้ยไม่โลภมันอยู่ได้ไงคนไม่โลภแปลกเนาะอยู่ได้ไงว่าคนไม่โลภเออโลภยังพอพอทำใจได้ใช่ไหมเพราะมันพวกเดียวกับเราไง <c oughs> โลภยังพอเข้าใจได้เออมันเพราะพวกเดียวกันนะแต่ไม่โลภมันเป็นไงวะแท้ท้่จริงความไม่ลโลภอจโลภะอยู่นี่แปลว่า อรมณภะเนี่ยไม่โลภเนี่ยมันเป็นแบบไหนในทางในทางความที่มันสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ต้องใช้สัพ์ธรรมะบาลีเยอะๆอารมณภะเนี่ยมันมีไหมมันเป็นแบบไห น, น, นหืมก็เอาอย่างนี้แล้วกั น, น, นเมื่อตาเราเห็นเราต้องโลภทุกครั้งเลยเหรอฮะ อ้าวแสดงว่ามันมีความไม่โลภอยู่เห็นไหมแต่เราไม่เคยรู้สึกไงเราไม่เคยรู้สึกถึงความไม่โลภเรารู้สึกแต่เรื่องโลภเพราะว่าโลกรู้จักไห่รู้จักแต่ตอนที่เราเองกำลังโลภอยู่นั้นเรามองไม่เห็นเพราะใจเราจมอยู่กับความโลภแต่ความโลภของคนอื่นเราเห็นได้ไหมเห็นจากอิยาอาการเขาใช่ไหมเออ เราเห็นเลยเราสามารถอธิบายความโลภของคนอื่นได้อย่างละอีกเป็นฉากฉากฉากฉาากพอถึงความโลภของตัวเองเป็นไงไม่เห็นเพราะเราจมอยู่ในความโลภเพราะความโลภมันเป็นเราเราเลยอธิบายความโลภไม่ได้แต่เมื่อใดที่เราเห็นความโลภมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเราจะอธิบายได้ไหมได้ได้ถึงขนาดอะไรได้ขนาดถึงเหตุเกิดของ ความโลภได้ถึงขนาดที่ว่าการทรงตัวอยู่ของความโลภได้ถึงขนาดที่ว่าความแตกดับสลายไปของความโลภความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันถ้าเมื่อใดที่มันเกิดขึ้นโดยที่ใจเราไม่ตกอยู่ในความโลภหรือความโกรธหรือความหลงเราจะมองเห็นมัน นี่การที่เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันได้และเราจะมองทำให้เรามองเห็นได้หมายความว่าเราจะต้องมีสองตัวเป็นตัวหลักที่จะต้องแข็งแรงขึ้นมาสำหรับเป็นเครื่องมือในการในการที่ไม่จมอยู่ในอารมณ์อของความโลภและเป็นฐานสำหรับทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นคืออะไรสติกับสติกับสมาธิจะเวลาพูดถึงสติคือสัพพัญญะด้วยสติกับสมาธิ สติก็ทําหน้าที่อะไรฮะที่เราที่เราไม่สามารถมองเห็นความโกรธความโลภในใจของเราได้เพราะเพราะเกิดปั๊บจิตรเรามันจมอยู่ใน<ม>ในโลภในโกรธทันทีใช่ไหมก็เราเป็นผู้โลภผู้โกรธเราก็เลยมองไม่เห็นนแต่พอมีสติสติทำหน้าที่อะไร<ม>สติก็ททำหน้าที่ กั้นจิตไม่ให้ตกอยู่ในอารมณ์ทันทีทีนี้เวลาก็กั้นเนี่ยพอเขา ก, กั้นปับ๊บความโกรธมันเกิดแล้วแต่สติมันกั้นจิตไว้ไม่ให้ตกอยู่แนวความโกรธระยะเวลาที่เขากั้นอยู่เนี่ยมันจะทําให้ยืดระยะระหว่างการเข้าไปเสวยความโกรธของจิตเนื่องพยืดระยะปับ๊บเรามีสมาธิที่เป็นฐานทําให้เรามองเห็นอะไรมองเห็นความโกรธ เมื่อกั้นไปให้จิตตกอยู่ในอำนาจของความโกรธสมาธิที่มีอยู่มันทําให้มองเห็นความโกรธที่เป็นสภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริงไว้มันตั้งอยู่สติก็ยังอยู่สมาธิก็ยังอยู่มันก็ดูกันไปเข้าใจไหมมันก็ดูกันไปมันแปรวนเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมันดับก็เห็นไหมเห็นความโกรธดับไปตอนหน้าต่อตาของจิตนั้นนะ่ะโอ้โห มันเหมือนคนเบรกก็ถานยืนอยู่แล้วมันหนักหนักหนักทำไงดีวะทําไมดีวะทําไมดีว ะ, ไ, วะไอคนนค้คนหนึ่งเดินคนแก่คนหนึ่งเดินเคหัวมันทิ้งโอ้ยมันก็วางลงสิอันนี้ก็วางลงเฮ้ยมันเบาวะ่ะโอ้ยเบาดีจังเวยโอ้ยลงสบายเพราะฉะนั้นตัวสติกับตัวสมาธิสําคัญไหม <c oughs> และสติที่ว่านี้จะต้องเป็นสติที่ ที่เป็นทางของสัมมาสติไม่จําเป็นจะต้องถึงขั้นของสัมมาสติแต่ต้องเป็นสติที่เป็นทางของสัมมาสติเป็นสติที่ตั้งขึ้นเพื่อเข้าสู่กระแสของสัมมาสตินี่วางอย่างธรรมดานะก็กั้นแล้วพอเากั้นปั๊บก็มองเห็นปั๊บทีนี้อะไรอโทสะมันก็เกิดเรยจิตก็ทรงตัวอยู่กับความไม่โกรธแม้มีความโกรธเกิด แต่จิตท่องตัวอยู่กับความไม่โกรธใช่ไหมมันก็รู้จากความไม่โกรธเมื่อใดที่จิตไม่ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธและมองเห็นความโกรธที่ตั้งอยู่ความไม่โกรธมันก็ปรากฏเพราะจิตไม่ไปเสวยความตกอยู่ในหน้าของความโกรธใช่ไหมความไม่โกรธมันก็ปรากฏมการเห็นความโกรธและการไม่โกรธเกิดขึ้นด้วยอานาจของสติสมาธิแบบนี้นี่เอง ถ้าไม่เชื่อกลับบ้านไปเนี่ยไปตบคนข้างๆหนึ่ตบปุ๊บแล้วก็ตบคืนเราใช่ไหมเราตบไปเพื่อยั่วให้เขาโกรธพอเขาโกรธเสร็จเขาตบเราเรายั่วตัวเราเองให้ความโกรธมันเกิดพอเราตบกลับมาที่เราปุ๊บเราหยุดนิดนึ่งดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูไม่ทันใช่ไหมดูไม่ทัน ดูไม่ตัแต่เรื่องทั้งหมดนี้ที่พูดให้ฟังดูเหมือนเรื่องสนุกสนานนะแต่เป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ทางจิตที่มันมีอยู่แบบนี้มันมีอยู่แบบนี้เราโกรธก็ได้เราไม่โกรธก็ได้จึงมีคำพูดได้ง่ายว่าเมื่อมีสิ่งมากระทบเราจะโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้ธรรมชาติให้เรามีอิสระเสรีเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์สหรับเรื่องนี้ไม่มีแบ่งแยกชั้นบรรณาเท่าสเสมอกันหมดเลยไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่รวยหรือจนหญิงหรือชาย จะเพศที่เท่าไหร่ก็ช่างมีอิสระเสรีภาพร้อยเปอร์เซนต์สหรับที่จะทําตามมันก็ได้จะไม่ทําตามมันก็ได้เราจะโกรธก็ได้เราไม่โกรธก็ได้ในเมื่อมันกําลังโกรธอยู่จะไม่ทําตามมันก็ได้เป็นอิสระภาพเต็มที่สาหรับเราร้อยเปอร์เซนไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยเราทําได้ไหมคนถ่วนมากก็บอกว่า ยากยากเพราะอะไรตัวเองขี้กลัวอะไรถูกไหมเออแต่คนภาวนาไม่จำเป็นคนภาวนาเขาจเจริญสติกับสมาธิเข้มแข็งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่เป็นไงมันก็จะเห็นเองเพราะ เพราะคุณสมบัติของสติสมาธิที่เขามีกําลังเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะทําหน้าที่กั้นและการมองเห็นอารมณ์เหล่านี้เป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอืเป็นธรรมชาติอยู่แล้ ว, รรลวถ้าว่าตราบใดที่ความโกรธเกิดขึ้นปั๊บใจตกอยู่ในอํานาจของความโกรธอยู่แล้วและพาะยายามจะไปมองมองมองมองมั น, ม, ม, นมันมองไม่เห็นตอกขี้โครนมันเข้าตา ขี้โคลนมันเข้าตาเต็มตาแล้วบอกว่าจะมองดูที่ขี้โคลนมันอยู่ตรงไหนไม่มีทางมองเห็นได้อลองเอาขี้โคลนป้ายตาดูดิลองเอาขี้โคลนป้ายตาจมอยู่ในขี้โคลนอะแล้วบอกว่าจะมองหาขี้โคลนดูอยู่ตรงไหนมองไม่ได้หรอกเหมือนกันอะมันต้องโดกออกมาจากบอกโคลนก่อนถ้าออกมาจากบอกโคลนปั๊บไปถึงเจอกาแพงกั้นแล้วจะเงยมองดูก็จะมองเห็นว่าขี้โคลนอยู่ตรงไหนอืม เราสามารถเห็นขี้โคลนได้ยืนอยู่ใกล้ขี้โคลนได้โดยที่ไม่ต้องไปแตะต้องขี้โคลนนั้นเลยเหมือนกันเลยกับสภาวะอารมณ์ธรรมชาติต่างๆเหมือนกันหมดใจก็ทําหน้าที่เข้าไปรับรู้แต่ถ้าเมื่อใดที่ใจ air, อ่อนแออ่อนสติอ่อนสมาธิมันก็จะจมลงไปในอารมณ์ต่างๆรักที่เกิดขึ้น hmm. เพราะฉะนั้นการเจริญสติ จึงเป็นเรื่องหลักของชีวิตการเจริญสติจึงเป็นเรื่องหลักของชีวิตเนี่ยความง่วงนี้กำลังเกิดเนี่ยมองมัน <g oda> บางคนบางคนง่วงนะต้องขยุงตา <g oda> <g oda> บางคนไม่รู้จะทำยังไงแล้วอายเขาเอายามองมาทาป้ายตา เพื่ออะไรเพื่อรักษาความดูดีไว้ก่อนอะ <c oughs> อืมอำนาจของความม่วงกับอํานาจของถีนมิท h a กับอํานาจของอุตจกักขุกขิจะอานาจของวิจิกิจาอํานาจของพยาบาทอํานาจของกามฉันที่มีกําลังแล้วถามว่ามันนานนานมาทีหรือ น, นานนานมาที <c oughs> ฮะบพอบพอกันแหละนะเพราะว่ามันถูกบ่มเราจนเป็นสัญ ช, ตชาตญาณของเราเราอยู่กับนิวร น, นะอยู่กับนิวรณด้วยสัญชตาตญาณเราอยู่กับนิวรณโดยที่เราไม่รู้ด้วยบางครั้งเราเข้าใจว่าโอ้ยเรามีสติเรามีสมาธิโอ้ยเรากำลังปฏิบัติธรรมสบายเลย น, นีนิวรณิชน คุณ่ารแต่หารู้ไหมว่าที่ฉันกำลังอ้าอยู่นั่ น, นคือนิวรมันอบรมจิตกิเลสอบรมจิตใจของเราแล้วก็บ่มเพราะออกมาในชั้นของนิวร์เนี่ยหมายความว่านิวรณคืออะไรกั้นอะไรอะ่ะเอาไห้จบกั้นอะไรอะ่ะอะไรคือทำเป็นเครื่องนำบอกอะ่ะอา กั้นอะไรอะ่ะนี่วนอนะกั้นอะไรอืมพยายามนึกนะวันนั้นหลงพ่อพูดว่างไงแล้ว่า <c oughs> พ <laughs> ยายามนึกนะไม่เคยนึกถึงนิวรณ์เลยนึกถึงแด่ว่าหลวงพ่อพูดว่าองนัหนังสือเขียนว่าอย่างไงนะฟังเทศหลวงปู่หลวงพ่อคนนั้นพูดว่าอย่างไงนะไม่เคยนึกถึงตัวนิวรณ์เลยเข้าไปไม่ถึงนิวรณ์คือเครื่องกัน้นนิวรณะวรณะเนี่ยกัน้นนิแปลว่าอะไรออก นิแปลว่าเครื่องนําออกนิวอนแปลว่าเครื่องกั้นทำเป็นเครื่องนําออกเออเครื่องกั้นทำเป็นเครื่องนําออกทำเป็นเครื่องนําออกคืออะไรการไม่ฉันทะเป็นนิวอนไหม พยบาทเป็นนิวรณ์ไหมอุทตจักุกุจักเป็นถีนมิทะเป็นวิจิกิจาเป็นอารติเป็นอวิชชาเป็นอกุศลธรรมเป็นพวกเหานี้อกุศลธรรมทั้งหมดเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นทีนี้มันเป็นเครื่องกั้นอะไรอะฮะกั้นทำเป็นเครื่องนําออก กรรมเมชันเนี่ยอะไรเป็นคู่ปรับเขาฮะ<า>เอออะไรอะอสุภะเออได้อะไรเกิดอะไรรู้ไหมทาบาทอะไรเป็น <c oughs> กรรมเมฉันทะตัวที่ตัวนี้จะเป็นตัวกั้นอะไร ทำอันเดียวเลยคือเป็นตัวกั้นเนกขมมะเนกขมมะเป็นตัวที่ไหลออกไปจากกรมฉันทะกรรมฉันทะจึงเป็นตัวกั้นการไหลออกทำเป็นเครื่องนำออกกรรมฉันทะคือทาเป็นเครื่องนำออกตัวที่เป็นเครื่องไหลออกจากกรรมฉันทะคือเนกขมมะ อาการที่จิตเข้ามาสู่ความสงบไม่ยินดีอะไรในกามพยาบาทเป็นเครื่องกั้นกั้นอะไรกั้นความไม่พยาบาทเพราะความไม่พยาบาทเป็นธรรมที่นําออกมาจากความพยาบาทถีนมิทะคือความหดหู่และเกลืบเกลื่อนความม่วงคือนิบอน เป็นเครื่องกั้นกั้นอะไรกั้นความตื่นความสว่างใช่ไหมความตื่นความสว่างคือเครื่องนำออกเขาไหลออกมาจากถีนมิทะความง่วงงูนความหลับซึ่งความตื่นความสว่างนั้นเรียกว่าอาโลกสัญญาจำไม่ได้ต่อไปอะไรอุดทะจะกุกุจะคือความฟุ้งซ่านใช่ไหม ความคุ้งส่านเป็นทำเครื่องเป็นเครื่องกั้นทำเครื่องนำออกทำเครื่องนาออกคืออะไรคือความไม่คุ้งสั้อย่างตรงความไม่คุ้มส่านก็ไหลออกมาจากความคุ้งสัานถ้าความคุ้มสันนั้นคงอยู่มันจะ ก, กั้นความไม่คุ้งสัานไว้เออเป็นนิวรวิจิกริชาความสงสัยลังเลเป็นนิวรณ์กั้นอะไร กั้นอะไรเฮ้อะไรนะกัะ้นอะไรอ่ะอืมวิจิกจาริยเป็นตัวกั้นอะไรเครื่องนำออกเครื่องนําออกก็คือทําเครื่องนําออกก็คือความแน่วแน่ในความกําหนดแน่วแน่ เข้าใจไหมเขาเรียกว่าธรรมวัฐานความกาหนดแน่วแน่ในธรรมชาตินั้นๆที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่ลังเลเลยเนี่ยเป็นเครื่องนำออกออกมาจากความสงสัยเราลังเลสงสัยเรื่องอะไรมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะมุ่งมั่นอย่างแน่วแ น, แ น, วแน่กำหนดอย่างแน่วแน่ในธรรมชาตินั้นได้ต่อไป อ, รอารติพะไม่ยินดีมันกั้นอะไรฮะเออ ความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นนั้นมันกั้นอะไรมันปิดกั้นความปราโมทคือความปราโมทความรื้อราเรืองอย่างอ่อนๆมันปราโมทไม่ได้เลยเมื่อใดที่มันไม่ยินดีเกิดขึ้นนะเดี๋ยว่ามันก็ปรุงและจะถลายออกไปในเส้นทางข้างนอกไม่ไม่สามารถมีความปราโมทได้เลยต่อไปอะไรอวิชชา ความไม่รู้ชัดเจนเลยมันกั้นอะไรวิชาโตอตอบเต็มปากเต็มคํากั้นวิชาหรือกั้นญาญญาญคือความรู้ญาญคือความรู้ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเอาต่อไปอะไรอากูศุลธรรมเป็นนิวรเป็นเครื่องกั้นกั้นอะไรกั้นกูสลธรรมทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชื่อว่านิวรนแปลว่าเครื่องกั้นกั้นอะไรล่ะกั้นทำเป็นเครื่องนําออกนี่แหละนี่แหละมันจึงเป็นดีวรนนี่เป็นญานศิบแรกของอานาปานสติญานศิบกต่อมาเมื่อกี้ศิบแล้วใช่ไหม ข้างละแปดก็เรียกว่าทายานอันเป็นธรรมอันตรายกับยานอันเป็นอุปการะขั่งละแปดก็เป็นสิบกต่อไปยานอีกสิบกเรียกว่ายานในอุปกิเลสเองอาณาอีกสิบกยานแค่เรารู้ลมหายใจออกแล้วหายใจเข้าคู่เดียวเราได้ถึงสามสิบสองยานเต็มไปด้วยอุปกิเลส ยานตัวนี้คือความรู้รู้รู้ตรงเข้าไปในสิ่งนั้นๆว่าอย่างนั้นรู้ตรงเข้าไปในสิ่งนั้นว่าอย่างนั้นรู้ตรงเข้าไปในสิ่งนั้นว่าอย่างนั้นก็เป็นญานหนึ่งรู้ตรงเข้าไปในสิ่งนั้นว่าอย่างนั้นก็เป็นญานหนึ่งรู้ตรงเข้าไปในสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือยานหนึ่งอ้าวดูต่อไปเวลาเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าทําไมจิตผู้รู้ของเราม oh. <|ar|>. ันไะม่บริ Psychology. สุทธิ์คือมันไม่อิสระออกมาทีเดียวเลย พอทำท่าจะอิสะระอิสะระเดี๋ยวก็โดดกข้าไปอีกแล้วพอทำท่าจะอิสะระอิสะระอยู่ดีๆอา้าวมีสภาวะนี่แล้วโอ้มันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยน้อยอกน้อยใจมั่งโกรธ ต, ตัวเองมั่งเบื่อตัวเองมั่งโกรธคนนั้นมั้งโกรธคนนี้มั่งหงุดหงิดมั่งหาเหตุหาผลไม่ถูกมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีอุปกิเลตเข้าไป มีอุปกิเลสเกิดขึ้นในขณะที่รู้ลมหายใจอุปกิเลสเหล่านี้ทำอันตรายต่ออาณาปานสติเราจะต้องทำหน้าที่รู้และเอาออกอเพราะเขาจะทำให้จิตผู้รู้ไม่เป็นอิสระอะไรบ้างนี่ตั้งใจฟังให้ดีนะไหนคนนัน่นยิงอยู่ไหม ตั้งใจฟังให้ดีนะอุปกิเลสในอนาปานาสติหนึ่งหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยน ะ, ะพุทธเจ้าว่าอัสสาสปัสสาสาทิมัจชะปะริอัศสาสาทิมัจชะปะริโยสานังสติยาอนุขชันโตเออ่ คือผู้ปฏิบัติที่มีสติวิ่งแล่นเข้าไปสู่ลมหายใจออกต้นลมตั้งแต่ต้นลมหายใจออกกลางลมหายใจออกและที่สุดของลมหายใจออกผู้ปฏิบัติที่มีสติแล่นเข้าไปสู่ต้นลมกลางลมและที่สุดลมหายใจออก เข้าใจยังเข้าใจไหมเข้าใจ ม, ใจมผู้ปฏิบัติที่มีสติแล่นเข้าไปสู่ต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกต้นลมคืออะไรต้นลมคือลมหายใจเข้าต้นลมอยู่ตรงไหนต้นลมกลางลมอยู่ตรงไหนที่มันวิ่งไปอะอยู่ตรงไหนปลายลมอยู่ตรงไหนเหนือสะดือ เห็นไหมภาษาบาลีเรียกว่าอะไรภาษาบาลีเรียกว่านาสิกอุรชานาพีผู้ปฏิบัติที่ใช้สติแล่นไปตามต้นลมกลางลมปลายลมหายใจเข้าอันนี้เป็นวิเค ปานุปฏติตังจิตตังสมาธิสัปริปันโทเป็นจะทำให้จิตตกอยู่กับความฟุ้งซ่านภายนอกนี้เป็นอันตรายต่อสมาธิหนึ่งจิตผู้ปฏิบัติที่เอาจิตแล่นเข้าไปสู่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจออกหายใจเข้าอัจชระวิเคปะ นุปปาติตังจิตตังสมาธิสับริพันธุจิตจะตกอยู่ข้างควายความฟุ้งซ่านภายในนี้เป็นอันตรายของอาณาปานสติสมาธิเอ้ามาดูอย่าผ่านไปเฉยๆมาดูเมื่อระลึกจิตเข้าไปสู่ลมหายใจตรงนี้พอลมหายใจเคลื่อนเข้ า, เาพอลมหายใจเคลื่อนเคลื่อนออกจากเริ่มจากตรงนี้นะพอลมจะหายใจเคลื่อนออกมันก็ไปกำหนดตรงไหน รู้สึกที่นาผีวิ่งมาที่อกวิ่งมาตรงนี้พอลมหายใจเคลื่อนเข้าตรงนี้วิ่งมาตรงนี้จิตรู้ทําหน้าที่กี่ที่สาม ท, ามที่มันจะเข้าเอกาคาตารมณ์ได้ไหมไม่ได้ถ้ามันรู้ออกมาอย่างนี้เรียกว่าคุ้งซ่านภายนอกรู้เข้าไปอย่างนี้เรียกว่าคุ้งซ่านภายใน เรียกว่าพุ่งซ่านภายในพุ่งซ่านภายนอกพุ่งซ่านภายในต่อไปอีกโอ้โหเหมือนเข้าโรงเรียนเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนเข้าโรงเรียน <c oughs> อา้าวต่อไปอะไรก่ะฮึพุ่งซนภายในพุ่งซ่านภายนอกต่อไปอัด ออัตสาออัตสาสาปติกังขนังจิตังนิคันติตันหาจาริยาสมาธิสัปริปันโทจิตหวังมีความมุ่งหวังซึ่งลมหายใจออก หวังลมหวังและปรารถนาลมหายใจออกทั้งๆที่ลมหายใจออกยังไม่เกิดนะจิตหวังและปรารถนาลมหายใจออกแล่นไปมีความพลึกแ ล, แล่นไปอย่างนี้เรียกว่าตัณหาจริยาอันนี้เป็นอันตรายต่อสานาปานัสติอา้าจิตมุ่งหวังต่อลมหายใจเข้ทาทั้งๆที่ลมหายใจเข้ายังไม่ได้นะจิตมุ่งหวังต่อลมหายใจเข้าปรารถนาลมหายใจเข้า มีการเล่นออกไปด้วยความอยากต่อลมเข้านี่เป็นอันตรายต่อสมาธิอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ารู้จักเรื่องเหล่านี้ยกสิ่งสี่อย่างนี้ออกไปจิตจะอยู่ตรงตรงนิ่งนิ่งถูกบ่าจิตจะอยู่นิ่งนิ่งตรงตรงแล้วอ่าต่อไปอัจฉริ น, นาปุณณะสะกบาลีอย่าไ ป, ไปเอาเลยนะ มายความว่าในขณะที่หายใจออกอยู่ขณะที่ลมหายใจมันยังออกอยู่ลมหายใจ ก, ออ ก, กำลังออกกําลังทํางานอยู่จิตมุ่งหวังข้าวไปสู่ลมหายใจข้าวจิตหลงเข้าไปหลงเข้าไปเพื่อที่จะหาลมหายใจข้าวขณะที่ลมหายใจออกมันไหลอยู่เนี่ยจิตมุ่งหาลมหายใจข้าวทาันไหม หรือจิตมุ่งหาลมหายใจออกขณะที่ลมหายใจเข้ากำลังทาํานอยู่สองอันนี้เป็นอันตรายต่ออานาปานสติสมาธิเท่าไรแล้วหกหกแล้วใช่เออทันป่มทันนี่ได้อีกหกยานจบวันนี้เี่ยวว่ายานเยอะเลย ให้ท่านลองพิจารณาดูส้ว่าหกประการนี้ในขณะที่เรารู้ลมหายใจให้ถูกเนี่ยมันจะเกิดหกเรื่องนี้ขึ้นมาบ่อยๆแล้วสภาวะการปฏิบัติของเราที่กําลังไหลลื่นไปเนี่ยมันเดินอยู่ในอุปกิเลสใช่ไหมอืมมันเดินจนชินเดินจนชํานันเดินจนเกิดสภาวะเดินจนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันดีจังเลยมันดีจังเลยแต่ อวิชชาตันหาอุปาทานกรรมภูมิจิตของเราเหมือนเดิมมันยังหยุดอยู่เหมือนเดิมพอนั่งสมาธิเสร็จเดินกลับไปยังไม่ดันถึงบ้านเลยโทรหาเพื่อนเอ้ยวยเวียดนามบอกอะไรวะผมไม่มีหวยไทยไงฮะอ้ามันนั่นหกอย่างแล้ว นี่คือทั้งหมดเนี้ถ้าเรารู้แล้วเราหยิบออกรู้ว่ามันเป็นอุปกิณ์เล็แล้วเราไม่อยู่ในอำนาจของมันเท่ากับว่าเราหยิบมันออกใช่ไหมแล้วภาวะจิตเราที่รู้ตกลมหายใจมันจะทําให้ยังไงเป็นอิสระยิ่งขึ้นอต่อไปอีกที่จะทําให้จิตไม่เป็นอิสระจิตผู้รู้ไม่เป็นอิสระต่อการรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรอนิมิตังอัศ นิมิตตังอะไรนิมิตตังอาวัจชโตความนี้นะนิมิตจจ ต, ตังอวัชโตอสาเสกิตตังวิกรัรมปติสมาธิสัปริปันโถอันที่หนึ่งข้อที่ข้อที่เจ็ดนะข้อที่หนึ่งหมวดที่สองก็คือข้อที่เจ็อันนี้ก็คือว่าผู้ปฏิบัติ ที่ให้จิตเนี่ยคำหนึ่งถึงนิมิตนิมิตคืออะไรเดี๋ยวก่อนพักข้อนี้ไปก่อนย้อนกลับไปที่นิวรย้อนกลับไปที่นิวรข้อที่ชื่อว่าอาวิชชาไม่รู้ไม่รู้เป็นนิวรซึ่งญาณคือตัวเครื่องนำออกคือตัวรู้รู้ตัวนี้ในทางปฏิบัติของอาณาต้องรู้อะไรต้องรู้อะไรตอบ ฮรู้นิมิตรู้อะไรอีกรู้ลมหายใจออกแล้อะไรอีกลมหายใจเข้าวาคนมาใหม่ทันไหมอาวิชาที่เป็นนิวรนเขากั้นญานซึ่งเป็นเครื่องนำออกกั้นความรู้ที่มีเครื่องนำออกความรู้ที่เป็นเครื่องนำบ อ, อกนี่รู้อะไรรู้สามเรื่องคือนิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้าฟุดบาลีสิ นิมิตลมอ า, าสาสะลมปัดาสาสะพูดเป็นคาถาสินิมิตตังอ า, าสาสะปัดาสาสะอานารัมมะนะเบกจิตตัสสะอะชาณโตตายโยธรมเบภาวนานูปลัลปะติโอเก่งปลว่าอะไร ผู้ไม่รู้เรื่องสามเรื่องคือหนึ่งนิมิตสองลมหายใจออกสามลมหายใจเข้าไม่ภาวนาได้เรียกว่าภาวนาไม่ได้หรือไม่ได้ภาวนานั่งให้ก้นแตกก็ไม่ได้ภาวนาที่ชื่ออาณาปนานสตินะเออเพราะฉะนั้นนิมิตตังอาวัจโตอัดนิมิตตังอาวัจโตอัดาเส จิตตังวิก ร, รมปฏิสมาธิสับริปันโทหมายความว่าผู้ปฏิบัติที่คำหนึงถึงนิมิต จ, จิตกวาดแหว่งไปที่ลมหายใจออกนี่เป็นอันตรายต่ออาณาปานสติหนึงนะ่งะอัศสังอาวัชโตนิมิเตจิตตังวิก ร, รมปฏิสมาธิสับริปันโถผู้ปฏิบัติที่คำหนึงถึงลมหายใจออกจิตกวาดแกว่งไปที่นิมิต นี้เป็นอันตรายต่ออาณาปานสติสมาธิเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไมโยผู้ปฏิบัติที่คำนึงถึงนิมิตนิมิตตรงนี้ก็คือที่ตั้งของจิตรู้คือสถานที่ซึ่งเรารู้สึกต่อลมหายใจถ้าเปรียบเป็นดักทางเข้าหมู่บ้านมีป้อมยามมีรถปภแล้วก็มีรถที่วิ่งเข้ารถที่วิ่งออกนิมิตคือตรงไหน ป้อมยามป้อมยามถ้ารอปภ ท, ที่ดีต้องไงรอปภที่ดีต้องอาศัยป้อมยามแล้วรู้ดูรถที่เหลออกไหลเข้าแต่ถ้ามันมัวหมวกมุ่นจมปลักอยู่กับป้อมยามไม่สนใจรถที่เข้ารถที่ออกใช่ได้ไหมใช้ไม่ได้ในขณะที่มันทำกิจอยู่ที่ป้อมยาม แต่มันกวัดแกงไปวุว่นวายอยู่เรื่องกับรถที่มันเข้าไปแล้วใช้ได้ไหมวุ่นวายกับรถที่มันออกไปแล้วใช้ได้ไหม <S <s <vielen> <S ใช่ไม่ได้ <S <s <Bub ba> ในขณะที่รถกําลังไหลเข้ามามันกําลังดูรถที่กําลังไหลเข้าอยู่แต่มันกวัดแกงมาอยู่ที่ <left> <ized> ป้อมใช้ได้ไหมไม่ได้ขณะที่รถมันออกมาแล้วมันมากวัดแกงอยู่ที่ป้อมยามใช้ได้ไหมใช่ไม่ได้เออทีอย่างนี้ทํำไมเข้าใจง่ายวะ พรพะพูดถึงจิตแล้ว้าใจยากพออย่างนี้แล้วโอยพวกเราดีนะชอบนิทานไม่น่าเลพระพุทธเจ้าต้องตรัตชาดกเสียรอครั้งเพราะสดมากมันชอบอย่างนี้นี่เองอาอ่าผู้ปฏิบัติคำหนึ่งถึงนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้ทำไมจิตยกข้าไปมีคำหนึ่งถ้าอาว่าอาวัชตะคือว่ารำพึงหรือคำหนึ่งอะ คำหนึ่งถึงนิมิตแล้วก็อัดสาเสจิตตังวิกรรมปฏิจิตวิกรรมปฏิเนี่ยว่าวิกรรมปฏินี่คือกวัดแกงกวัดแกงอัดสาเสไปที่ลมหายใจออกคือมันมัวแต่คำหนึ่งถึงนิมิตและจิตกวัดแกงไปที่ลมหายใจออกเนี่ยเป็นอันตรายแล้วกิตมันไม่สามารถทากิตนั้นให้บริสุทธิ์ได้ในขณะที่ ลมหายใจออกจิตกวักแวงจิตคำหนึ่งถึงลมหายใจออกแต่มันกวักแวงไปที่นิมิตก็ทำให้เป็นอันตรายแล้วอันตรายในที่นี้ก็คือว่าจิตผู้รู้จะไม่อิสระในการรู้ลมหายใจได้ร้อยเปอร์ซในขณะที่ลมหายใจเข้าจิตกวักแวงอยู่ที่นิมิตในขณะที่ลมหายใจออกแต่ในขณะที่จิตคำหนึ่งถึงนิมิตแต่ว่าผู้ปฏิบัติกาลังคำนึงถึงนิมิต แต่ไปกวาดแหวงไปที่ลมหายใจเข้า <t> ขณะที่คำ ห, หนึ่งถึงลมหายใจเข้าจิตกวาดแหวงไปที่ลมหายใจออกนี่สี่แ <t> ล้วต่อไปคืออะไรขณะที่ลมหายจะจิตคำหนึ่งถึงลมหายใจออกและจิตมันกวาดแหวงไปที่ลมหายใจเข้าผู้ปฏิบัติกำกำลังคำหนึ่งถึงลมหายใจเข้าแต่จิตมันกวาดแหวงไปที่ลมหายใจออกไม่เป็นไม่ทําให้จิตผู้รู้เป็นอิสระนี่ได้อีกหกยาน เป็นเท่าไรแล้วอุปกิเ์สิบสองแล้วนะเนี่ย<อ>ถ้ารู้มีความรู้อย่างนี้ตัวไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอุปกิเ์เอาทำยังไง<อ>เอาออกด้วยวิธ<อ>ีแค่รู้ว่ามันเป็นอุปกิเล์พอแค่รู้ว่ามันเป็นอุปกิเลสเราก็ไม่เอาใช่หมการไม่เอานั่นคือการเอาออกแต่มันจะต้องรู้ว่ามันเป็นอุปกิเล์ รู้ว่ามันเป็นอันตรายต่ออนาปานัสติสมาสิแต่มันจะต้องตัวต้นจิตจะต้องเป็นตัวที่รู้ลมหายใจไหลออกไหลเข้าอย่างถูกต้องก่อนพอรู้ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าได้อย่างถูกต้องแล้วสิ่งที่เรามีความรู้เรื่องอุบกิเลสมันคือสภาวะที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั้นเราจึงจะรู้ว่ามันเป็นอุบกิเลสไม่เอา ไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาไม่ให้ความสําคัญเพราะเมื่อใดที่เราให้ค่าให้ราคาให้ความสําคัญต่ออุปกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะบันทอนอาณาปานสติของเราแล้วถ้าเราใช้เวลาในการเดินเดินจิตด้วยด้วยความแข็งแรงของอุปกิเณสมันก็จะไปสร้างนิมิตตามฐานจริตของเราเดี๋ยวก็เห็นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เห็นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เห็นเป็นอย่างโน้นนั่ น, น, น ซึ่งอันนี้จึงต้องรู้ไว้แล้วก็ทำความเข้าใจพอไปรู้ลมปั๊บตั้งรู้ตั้งจิตที่รู้ลมให้มันถูกต้องก่อนสิ่งที่ปรากฏเป็นอุปกเกลิตเราก็จะรู้เหมือนไมเคิลแอนเจโลนะย ก, ยกยกตัวอย่างจริงอันี้นมันเห็นก้อนเห็นแล้วมันเห็นภาพของเดวิดใช่ไหมมันก็เลยหยิบสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เหมือนกันเลยเนี่ยเอาต่อไปมีอะไรอีก ที่เราจะต้องเจอในการรู้ลมหายใจเราจะต้องเจอในการรู้ลมหรือเราจะต้องรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในการรู้ลมหายใจผ่านความห่วงไปได้แล้วดีใจด้วย <laughs> ผ่านกันได้แล้วผ่านผ่านได้ไหมเมื่อกี้ง่วงอยู่ใช่ไหมผ่านแล้วผ่านเมื่อกี้ห่วงอยู่ไม่ผ่านแล้วใช่ดีใจด้วยดีใจผ่านยังผ่านแล้ว <laughs> อเอา้า เข้าสู่อุปกิรณ์ข้อที่สิบสามเมื่อกี้สิบสองข้อจบไปแล้วข้อที่ส3ามคืออะไรฮะจิตแล่นเข้าไปสู่อดีตเข้าใจยังนึกพระบอกในขณะที่เรารู้ลมเนี่ยจิตมันหลุดออกไปหาอดีตในอดีตมันอาจจะเป็นลมหายใจที่ออกไปแล้วหรือลมหายใจที่เข้าไปแล้ว ทีนี้จิตที่มันเล่นไปอดีตหรืออดีตนั้นคือลมหายใจที่ผ่านไปแล้วหรือลมหายใจที่เข้าไปแล้วไม่ใช่ลมปัจจุบันและจิตเข้าไปหาลมนั้นที่มันผ่านไปแล้วหรือจิตเล่นเข้าไปสู่อารมณ์อันเป็นอดีต จากฐานที่เป็นปัจจุบันนั้นจิตอออกไปสู่อารมณ์เป็นอดีตอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นอดีตคือที่ผ่านมาแล้วในลักษณะของจิตที่เข้าไปสู่อารมณ์เป็นอดีตนั้นเขาไปด้วยอะไรด้วยลักษณะของวิตกเข้าใจไ่มเออมันไปในลักษณะของการวิตกจิตระลึกไปในอดีต ตกอยู่ข้างฝ่ายอะไรวิเขปานุปปติตังจิตตังสมาธิสระบริปันตุพอจิตระลึกลงไปสู่อดีตจิตตกอยู่ข้างไฟฟุฟุ้งสั้นทันทีเลยจากการที่ก็รู้ลมหายใจอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยพอเขาหลุดไปสู่อดีตปั๊บเนี่ยจิตจะตกอยู่กับความฟุ้งสั้นอันนี้เป็นอันตรายตัวที่สิบสามแล้วมันเกิดเคยเกิดไหม ใ, ใครบอกไม่เคยเลย โอ้ยของหนูบริสุทธิ์มากไหนบอกสิมีไหมเคยเกิดไหมทำความรู้ไว้เมื่อเมื่อสภาวะนั้นปรากฏจงมองให้รู้ให้เห็นมันว่ามันคืออุปกิเลสแค่นั้นแหละไม่ได้ให้ฆ่ามันเมื่อจิตเข้าไปสู่อารมณ์อดีต ตกอยู่ข้างขวยความฟุ้งซ่านคือตัวจิตผู้รู้เคลื่อนออกจากฐานที่เป็นนิมิตไม่เคลื่อนออกจากฐานที่เป็นนิมิตก็จะมีกำลังเบาตัวลงเหมือนกับจิตรู้ถูกแบ่งออกไปแล้วบางคนก็มีหน้ามาบอกก็ยมว่ายมรู้อยู่นะรู้ลมหายใจอยู่นะบอกเอ้ยมันหลุดแล้วไม่หลุดนะรู้อยู่นะเถียงคอเป็นเอ็นเยอ รู้อยู่นะว่างรู้อยู่รู้อยู่นะรู้ลมหายใจนะยังรู้ลมอยู่นะอย่างนี้มันจะเป็นอะไรคือพยายามที่จะให้ของตัวเองถูกให้ได้คือพยายามที่จะเอาอุปกิเลส ท, ที่มันเกิดเนี่ยมาถูกต้องให้ได้เพื่อปรอบเป็นฝันกําลังใจแต่ให้รู้สภาพไว้าท่านว่าเป็นอุปกิเล์หมายความว่าเมื่อเมื่ อ, อจิตเข้าไปเสวยสิ่งซึ่งเป็นอดีต ในขณะที่รู้ลมนั่นเป็นอันตรายจิตตกอยู่ความฟุง้งซ่านทันทีต่อมาจิตเข้าไปสู่อนาคตคือมันอยู่ต้องจำว่ามันอยู่กับปัจจุบันเป็นฐานหลุดออกจากปัจจุบันไปอดีตหลุดออกจากปัจจุบันไปอนาคตจิตที่มุ่งก็ไปสู่อนาคตเกิดขึ้นได้ไหมส่วนมากเขาจะไปหาอะไรวะ ส่วนมากเขาจะไปหาอะไรไปตามสัญญาถูกไหมหนึ่งไปตามสัญญาสัญญาก็คือความที่เรารู้ไว้เรื่องเยอะแยะมากมายนี่แหละแล้วก็เรื่องที่มันจะต้องทําเย็นนี้เรื่องที่มันจะต้องทําคืนนี้เรื่องที่มันจะต้องเติมพุ่งนี้มารืนนี้นี่คือไหลไปในอนาคตไปตามสัญญานี่หนึ่งเลยนะสองไหลไปตามสัญญานิมิต เคยรู้จักคํานี้ไหมเคยรู้ว่าก็วันก่อนไลาวันนั่งสมาธิมาโอ้ได้สภาวะดีมากตอนนี้รู้ลมหายใจกําลังเข้าทุกเป็นปัจจุบันอยู่จิตม่าเลยตกองไปให้ถึงที่ได้เมื่อวานนะต้องต้องไปต้องไปให้ถึงทำไมมันยังไม่ถึงหลุดออกไปยังหลุดออกไปไหนไปในอนาคต เข้าใจมเอออันนี้เรียกว่าอะไรฮะานนี้จิตหลุดออกไปอืมสเสรวยอนาคตอันนี้เป็นอะไรฮะวิกรรมปิตังเป็นความฟุ้งซ่านของจิตอ อ้าวต่อไปอะไรอีก14ฟังให้ดีๆนะข้อ14นี้มันก็จะละเอียดลงไปนิดนึงมีรังเคยได้ยินไหมมีรังมีรังจิต นิลังจิตตังโกนิังจิตตังโกสัจจานุปฏติตังังโกสัจานุปติตังจิตตังสมาธิสัพริปันโทนิลังคือหดหูจิตที่มีกำลังของสติจิตผู้รู้ที่มีกำลังสติสัมปชัญญะอ่อนแล้วมีการต่อเนื่องนั่งไปสักพักหนึ่งเรียกว่า นั่งไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกับมีกําลังสมาธิแต่สติสัมปชัญญะมันอ่อนมันจึงเกิดการหดผูต่อให้อีกคํำไหมห <laughs> ่อเหี่ยวโตให้อีกคํานึงหดผู ot, และอะไรห่อเหี it ่ยวโกสัชาโนปติตังมันจะตกเข้าไปสู่อะไรตกเข้าไปสู่อะไร โอ้โหประเสริฐมากเลยท่านทั้งหลายไม่เคยมีใครหดหูเลยเหรอเนี่ยอลองนึกดูที่ในยามที่เรานั่งนั่งหดูจิตมันเกิดความหดหูหดหูว่าใจเหลือเกินจะตกไปสู่อะไรความเกลียดคร้านความค้านความขี้ค้านความไม่เอาความเพียรไม่ประคองความเพียร ความอยากจะกลับบ้านความอยากจะเลิกความเมื่อยไหลลวงพ่อจะหยุดทะทีเนาะทั้งหมดนี้คือกฎสัจชะเข้าใจเปล่ามีรังจิตตังโกสัจานุปัตรังโกสัจานุ ป, ปฏติตังจิตตังหมายความว่าจิตหดหูตกอยู่ในข้างวักฝ่ายของความเกลียดคร้านนี้เป็นสมอันตรายต่อสมาธิทีิทชึ่ อ, อนาปานอสติ ไม่เคยมีเลยเหรอความเจ็บร้อนโอ้โหประเสริฐแพ้แม่กุเนยให้สังเกตจิตที่มันจะหดหูเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจข้าวรู้ลมหายใจหอกรู้ลมหายใจเข้ามันไม่เคลิ้มมันไม่หลับมันมีความตื่นอยู่แต่มันรู้สึกเหมือนเหมือนไม่รู้สึกดีอ่ะเหมือนมันจะไม่เอาอ่ะมันห่อเหี่ยวอ่ะมันหดคูแล้วในที่สุดมันก็ขี้เกียจอ่ะ ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะสงสัยตัวเราเองว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้นะทาไมเราเป็นอย่างนี้นะสงสัยกูมาผิดสายแล้ว <c oughs> แล้วไปบอกกับเพื่อนเพื่อนว่าเราไม่ถูกเจริตกับอานะออาโงงเ้ย <c oughs> ที่แท้เราถูกอะไร <c oughs> ถูกถูกอุปากิเลศเข้ามาย่ำยีเดี๋ยวพอมันไปสายอื่นเดี๋ยวมันก็หดหูอีกอะ ไปสายไหนสายไหนมันก็หดหูอีกแกโอ๊ยเราไปสายนี้ไม่ไหวชั้นมาแต่นี้ตันไม่ใช่พูดแรงไปนะของจริงทั้งนั้นนะ่ะเอาอันนี้เรียกว่านีรังใช่ไหมหดหูใช่ไหมเอาต่อไปอะไรฮะเริ่มเริ่มหายแล้วตื่นแล้วใช่ไหมเอาต่อไป นี่รังแล้วอะไรนะหุดหิตหอเหียวถูกแล้วหุดหูหอเหียวต่อไปอะไรอปคหิตังถือจัดมีไหมท่านทั้งหลายมีถือจัดไหมเจ๊ะมีถือจัดไหม ฮถือจัดเหรอถือจัดสองอย่างหนึ่งถือจัดตามสัญญาสองถือจัดตามสัญญานิ่มิดถือจัดตามสัญญาคือค่าตามสัญญาเราเรียนรู้บริบทของความเป็นเราใช่ไหมว่าเป็นใครโอ้ยมันนั่งฟังอะไรวะเนี่ยกูกลับดีกว่า ทำไมเราจะต้องมานั่งอดต้นตาลับตาแข็งอย่างนี้วะเขาอยู่บ้านที่ห้องมีแอร์สบายที่นอนนุ่มๆ ม, มีซีรีส์เกาหลีให้ดูโอ้ยกูโง่ โ, โ, โ, โ, โมานั่งอยู่ทำไมวะเนี่ยเกิด <c oughs> อาการถือจัดขึ้นมาเกิด <c oughs> อาการถือจัดขึ้นมาพ <c oughs> ราะ uh <c oughs> ถือจัดได้เป็นยังไง อุดทัตจานุปติตังจิตตังพอถือจัดปับ๊บมันก็ฟุ้งซ่านทันทีจิตเคลื่อนจากฐานจิตผู้รู้เคลื่อนจากฐานอันเป็นปัจจุบันใช่ไหมแล้วมันก็จะไปปรุงแต่งตามสัญญาที่มีฟุ้งซ่านทันทีเลยโอ้โหออกไปนี่เราอยู่บ้านป่านนี้นะนั่งเล่นกับลูกนั่งหยอกล้อกับหลาน อ, อนั่งป้อนข้าวหลานมีความสุขมากอะไรเงี้ยว่าไป บางคนก็เอ้ยนั่งรับเช็คคิดบัญชีเก็บดอกเบี้ยว่าไปมันปรุงไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันอุทธจานุปฏิตังมันตกอยู่ในขวบฝ่ายของความ ฟ, ฟุ้งซ่านอันนี้เป็นอันตรายต่ออนาปานสติสมาธิข้อที่สิบห้าข้อที่สิบสี่ต่อไปข้อต่อไปอะไร อภินยาตังจตงญญตงาาาิตตังอภินยาตังพระยาปาานุปฏิตังจิตตังสมาธิสาปริปันโถโอ้โหแม่นมากไม่น่าเชื่อโอแม่นขนาดนี้ <c oughs> อภินยาตังคืออะไรรู้ไหม <c oughs> เออรู้มาก พอเออยปากพระพูดไม่ทันถึงสองพระประโยคนี้มีอยู่สิบคาพระเอ่ยสองคำรู้แล้วกูพอพระพูดปั๊บรู้แล้วพระเออยปั๊บรู้แล้วเอยปั๊บรู้แล้วเปอยปั๊บรู้แล้วเอยปั๊บรู้แล้วไอการที่มันรู้เกินเรียกว่าอภิญญาตังรู้มากรู้เกินรู้ยิ่งมันเป็นอะไรอภิญยาตังอะไรนะ ราคานนปติตังจิตตังสมาธิสาปนิปันโทผู้ที่รู้มากรู้เกินรู้ยิ่งจิตจะตกอยู่ในฝักฝ่ายของราคาพระพอพระเอ่ยพระโอ้รู้แล้วโอยสบายใจแล้วสบายใจแล้ ว, อลวชอบใจใช่ไหมชอบใจพอใจภูมิใจใช่ไหมกอดความรู้สึกนั่นไว้ราคะทั้งสิ้น พอพูดไปพอโอ้หายใจเข้าหายใจเข้าโอ้ยชื่นใจเหลือเกินพอหายใจออกอ๋อไอ้นี่อ๋อไอ้นี่คืออะไนั่นคืออะนั่นคืออะนั่ น, อนโอยดีใจรู้เกินจิตตกอยู่ข้างฝ่ายของราคะเป็นอันตรายต่อสมาธินี่ข้อที่สิบห้า ข้อต่อไปข้อที่สิบคืออะไรอปัญญาตังอปัญญาตังพยาปาดานุปติตังจิตตังสมาธิสัปริปันโทอปัญญาตังแปลว่าอะไรฮะง่เป็นคำตอบเดียวและคำตอบแรกที่ถูก เพราะว่าแกไม่เคยตอบคำถามเลย <c oughs> แกตอบมาแบบคําตอบเดียวของแกในวันนี้แล้วก็ถูกต้องด้วยอปัญญาต่างคืออะไรรู้น้อยหรือโง่นั่นแหละรู้น้อยพอรู้น้อยจิตตกอยู่ในขั้นฝ่ายอะไรพยาบาทพยาบาทคืออะไรอ่ะพอมันรู้น้อยอ่ะ พูดอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่เข้าอธิบายอะไรก็ไม่ strong, ไ ร, oh มรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่งไปนั่งมาเริ่มมาแบบหุดหิตก่อนหายใจเข้า ไ, ไม่มีอะไรมาตอบข้อสงสัยในใจได้เลยคือไม่มีความรู้ใดๆมารองรับกับสภาวะที่หายใจเข้ากับสภาวะที่หายใจออกกับสภาวะที่ปรากฏไม่มีความรู้ใดๆมารองรับสภาวะนั้นและไม่มีสภาวะมารองรับความรู้นั้นจิตเดินไม่ได้ ไม่มีความสว่างสวยของปัญญาที่จะมาคลี่คลายในสิ่งนั้นๆได้มันก็จะเกิดการหุดหิตหุดหิตหุดหิตเสร็จแล้วการภาวนาหยุดชะงักยังนั่งอยู่ใช่ตกอยู่ข้างฝ่ายความพยาบาทมองไปตรงไหนไม่มีสิ่งถูกใจแม้แต่อย่างเดียว มองไปรอบๆข้างไม่มีสิ่งถูกใจแม้แต่อย่างเดียวเพราะจิตตกอยู่ในหน้าของอะไรแล้ว<ช>ความพยายามอันนี้เป็นอันตรายต่ออนาปานาสติสมาธิรวมแล้วกี่ยานเนี่ยถ้ามีความรู้ตรงนี้รู้สิบหกเรื่องนี้มันจะทําให้จิตผุรู้ของเราเป็นอิสระเป็นอิสระจากนิมิตจากลมหายใจออกจากลมหายใจเข้ามันจึงเป็นจิตผุรู้เป็นการรู้ลมหายใจที่รู้ อยู่ที่เดียวรู้อยู่ที่เดียวไม่ปักที่ลมหายใจออกไม่ปักที่ลมหายใจเข้านี่คือจิตผู้รู้ที่บริสุทธิ์ที่เป็นอิสระอย่างนี้เดี๋ยวไปขียานนะเนี่ยมีคําถามไหมฮ ะ, ะรู้ไม่ถึงจะถึงโอ้ โอ้โหนี่มันจริงๆเราพูดกันเรื่องอะไรไเราพูดกันเรื่องอะไรฮะเรื่องการรู้ลมหายใจใช่ไหมแล้วลมหายใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร่องจ ม, ม, มูกนี่ทุกคนมีร่องจ ม, ม, มูกทุกคนมีลมหายใจออกทุกคนมีลมหายใจเข้าแล้วเราก็ไม่ได้พูดออกไว้นอกเรื่องอื่นเลยพูดกันอยู่ที่แค่ลมหายใจออกแค่ลมหายใจนี่ยังไม่รู้อีกเหรอ <laughs> ความรู้เหล่านี้เราต้องมีนะมีเพื่ออะไรเพื่อให้มันไปรองรับกับสภาวะที่ปรากฏเหมือนเราบอกเรื่องเชียงใหม่อ่านหนังสือเรื่องเชียงใหม่มาใช่ไหมโอเชียงใหม่อย่างนั้นเชียงใหม่อย่างนี้ตรงนี้ถ้าแพอ๋อไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าประตูถ้าแพถูกตรงนี้นี่ตลาดอะไรนะอะไรอะไรรถโรดนะโวอรรดอะไรนะวอร์โรดโอโรดไอ้นี้นี่ไอ้เดตลาดอะไร อะไรในพระซาอะไอันนี้อะไระไรู้หมดอ่ะถามว่ารู้หมดเคยไปยังยังแต่รู้ไว right ้ก่อนเมื่อวันหนึ่งเรานั like ่งเครื่องไปถึงลงปั๊บสนามบินเชียงใหม่นั่งรถขึ้นรถเดืองรถรถรถเหลืองรถแดงเลยข้าวไปถึงมันจอดตงปั๊บไปถึงเขาบอกก็ทาบแพอโอนี่เองอย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่า มีสภาวะรองรับแล้วต่อไปใครมาพูดเรื่องตัแฝงหลอกเราได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะเรารู้อะไรเรารู้อะไร ร, ไรู้จริ ง, รรงเรารู้จริงคือเรารู้มีสภาวะมารองรับอืมเพราะฉะนั้นเรื่องอุปกรณ์ตอนนี้เราจึงจําเป็นจะต้องรู้ไว้ พอรู้แล้วไม่เชื่อถ้าท่านนั่งปฏิบัติภาวนามาเนี่ยท่านเห็นเลยว่าอ๋อไอ้นี้มันก็เคยเกิดกับฉันอันนี้มันก็เคยเกิดกับฉันอันนี้มันก็เคยเกิดกับฉันอันนี้มันก็เคยเกิดกับฉันโอ้ทุกตัวเลยนี่หว่ากูเ <loan gemaakt> สร็จแล้วอะไรรู้ไหมนั่นคือตามระลึกตามระลึกตามระลึกจนว่าอบูอุปกิเลสเหล่านี้มันเคยเกิดกับเราเลี้ยบเคยเกิดกับเราเล้ยเคยเกิดแล้วเรียกว่าตามระลึก ครั้นเรานําจิตเข้าสู่วิถีของปัจจุบันและก็ประคองความเพียรให้รู้อยู่กับลมที่เป็นปัจจุบันอย่างถูกวิธีแล้วเมื่ออุปกิเรสเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นจิตที่เคยตามระลึกเป็นยังไงมันก็จะรู้ว่ามาแล้วพอมันรู้ว่ามาแล้วและมันรู้อยู่ว่ามันคืออุปเกเรตติตมันจะทํำยังไงไม่ให้ฆ่าไม่เอานั่นคือการหยิบออกตัวนั้นก็จะทําลายจิตผู้รู้ได้ไหม ไม่ได้จิตผู้รู้ก็ยังคงแน่วแน่อยู่กับความเป็นปัจจุบันต่อไปนี่คือเส้นทางที่จะเข้าสู่กระแสของสัมมาสติและสัมมาสมาธิจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้แบบนี้เมื่อกี้ฟังไปหลับไปฟังไปหลับไปแต่ว่าพอรู้แล้วแหละว่ามันคืออุปกิเลสเดี๋ยวให้นั่งภาวนาเดี๋ยวให้นั่งภาวนา พอนั่งภาวนาแล้วเกิดมีอุปกิเลสเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาอ๋อมาแล้วมาแล้วมาวตัวที่จะทําให้เราออกจากอุปกิเล์เมื่อเรารู้ว่ามันคืออุปกิเลสทําให้เราออกจากอุปกิเลสได้ตัวนี้เรียกว่าตัวสังวรสังวรมี ม, มีมีสภาวะแบบไหนนาะสังวรมีตัวสภาวะแบบไหน มีภาวะแบบไหนสังวรนะ่ะการปฏิบัติทุกสายจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้นะถ้าไม่รู้เรื่องนี้เข้าภาวนาไม่ยากเราจําเป็นที่จะต้องสังวรสังวรคืออะไรก็คือสำรวมจิตเข้าสู่อารมณ์อันเป็นกรรมฐานของเราต้องสำรวมจิต เข้าสู่อารมณ์อันเป็นกรรมฐานของเราลักษณะของการสังวรนี่ก็คือว่าจิตที่มันสำรวมมันก็คือเหมือนยกยกจิตตัวสำรวมนั้นจะมีตัวสติมีตัววิตกตัวสติตัววิตกตัววิสติคือตัวระลึกตัววิตกก็คือตัวที่ยกจิตตัวที่มันจึกเข้าไปสำรวมจิตเข้าสู่อารมณ์อันเป็นกรรมฐานของเรา ที่ถูกต้องของเราคือตัวนิมิตใช่ไหมโอพวกเราอย่าถอดอย่าถอดน้อหลวงพ่อถอดคนเดียวก็หลวงพ่อไม่เข้าไปหาพวกเราพวกเราไม่ออกมาหลวงพ่อใช้ได้ตัวสำรวมสังวรเนี่ยตัวสังวรเรียว่าตัวสังวรมีลักษณะของการรวมจิตยกระลึกและ ตึกเข้าไปสู่อารมณ์เป็นกรรมฐานนี่ของเราจะเรารู้อยู่แล้วนิมิตคือตรงนี้ใช่ไหมนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้สําหรับที่จะให้จิตเข้าไปรู้ลมหายใจมันก็อยู่ตรงปลายจมูกเหนือริมฝีปากหือตรงโพรงจมูกด้านปลายแล้วก็ทุกคนรู้ใครยังไม่รู้ว่านิมิตของตนอยู่ตรงไหนยกมือขึ้นไม่มีนะรู้ยังรู้ยังรู้ไหม หายใจเข้าไว้สุดหยุดกันหายใจวายตั้งใจว่ารู้สึกกับลมหายใจไหลออกปล่อยลมหายใจไหลออกมาช้าๆแล้วก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกนั้นรู้สึกได้ตรงไหนตรงนั้นเป็นนิมิตรู้สึกตรงไหนตรงนั้นเป็นนิมิตให้ดูตัวรู้ที่เขาไปรู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกอาการที่จิตสังวรสามัสังวรก็คือว่าอาการที่จิตมันสังวรระลึก จึกเข้าไปสู่ลมตรงนั้นอั น, นี้ตัวนี้ตัวสำคัญมากเพราะอะไรเพราะเมื่อใดที่มันเป็นอุปกิเลสย่ายีจิตอยู่ตัวอุปกิเลสที่ย่ายีจิตอยู่เรารู้ว่ามันเป็นอุปกิเลสแต่มันไม่ยอมออกไปเราจะทำยังไงเราก็ทำได้ด้วยการสังวรคือทิ้งมันไปแล้วก็สังวรจิตระลึกจึกตรงเข้าสู่ลมหายใจนี่มันเป็นขั้นตอนที่ละเอียดในการปฏิบัติ ที่มองดูผิวเผินจะรู้จักมันได้ยากถ้าไม่ทำต้องทำให้อาการสังวรตอนนี้มันเกิดขึ้นพอมันมีอุบัิเหตเกิดอยู่ใช่ไหมเรารู้ว่ามันเป็นอุบัติเลสไม่ให้ค่าแม่้ความสำคัญเอาจิตออกมาออกมาจากลมหายใจแล้วสังวรจิตเข้าไปสังวรจิตมีลักษณะตัวระลึกแล้วก็ตึกตึกตึกยกจิตในลักษณะของการระลึกและตึ ก, ก้าไปสู่ลมที่นิมิต แล้วก็ดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าตัวที่เป็นอุปกกเรสก็จะเด้งออกไปเพราะตัวสํารวมตัวสังวรจะทาให้กำลังของสติกับสมาธินั้นมีกำลังมากกว่าอุปกกเรสอุปกิเลตมันก็เหมือนป r i n เหมือนทากที่เกาะอยู่ที่ขาของเราเราจะเอามันเปะละ่า เราจะเอาปิงเอาทากเมื่อไหอ่นั่นนะแต่ถ้าดาบอะไรที่มันยังเกาะอยู่ที่ปิงยังเกาะอยู่ที่ขาปิงทากยังเกาะอยู่ที่แข้งที่ขาข้งเราเราเดินเราวิ่งเราไปไงมีความสุขไหม <S <S ไม่มีอันนี้ในกรณีที่เรารู้นะเรารู้ว่ามันเป็นอุบัติเลตุแล้วก็รู้เลยว่าแต่มันยังไม่ออกไปเราก็ถามารถที่จะไล่เขาได้ด้วยความสำ สังวรสังวรสังวรคือการน้อมจิตด้วยการระลึกและด้วยการตรึกเรียกว่าสติและวิตกตรึกเข้าไปสู่อารมณ์อันเป็นกรรมฐานเข้าใจไหมคิดสงสัยเรารำยังไงถึงแบบว่าคือบางทีทิดแบบนี้ที่เคยถมันจะ เลืกิดมันเหมนเข้าไปแบบเพ่งจ้องมันจะเพ่งจอง้อ ง, จองก็ถ้าเพ่งจ้องก็เป็นอุปกิเลสซอนอุปกิเลสแหละคือเราจะทํำยังไงแม้ให้มันเลือเพ่งจ้องไอ้ น, นี่ไอ้ น, น, อ น, นี่เราไม่ได้เกิดอุปกิเลสแต่เรากําลังสร้างอุปกิเลสโดยเอาอุปกิเลสมาเป็นนิมิตมันจึงเกิดกรณีนั้นก็ง่ายง่ายง่ายง่ายคืออะไร <c oughs> อวันวันท่าง่ายง่ายคืออะไร ให้ง่ายคืออะไรฝนให้ง่ายคือออกมาแล้วทำไงหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจออกและปล่อยลมหายใจออกมาช้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นลมเอ๋ยลมหายใจเข้าทางไหนออกทางนั้น ต้นลมเกิดจุดลมดับพลันทั้งลมสั้นและลมยาวดูลมในที่ไหลออกดูลมนอกที่ไหลเข้าใส่ใจทั้งสั้นยาวลมออกเข้าวขวาวรู้ทันจริงใดใดที่ปรากฏจิตกำหนดอย่าหุนหันแค่ดูและรู้ทัน แล้วจึงหันมารูลมนะหาวันนี้แม่นไวเฮ้ยพระพูดก็ห้ามตบมือนะก็สาทุถูกใจตบมือไม่ได้แล้วสาทุถูกถูกถูกอย่าอย่าไปอะไรกับอุปกิเลตนะ ออย่าไปอะไรกับเขาเรื่องทั้งหมดที่คุยมาในภาคบ่ายนี้เพื่อให้ลงสู่คาตอบเดียวคืออะไรรู้ไหมติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกแล้วมันจะถูกไล่ลงไปถ้าติดกระดุมเม็ดนี้ผิดแล้วมันจะไล่ผิดไปเรื่อยๆยิ่งถล้ำลึกลงไปแหละ แถอดยากเราคิดว่าเราติดเม็ดแรกถูก่แาต่อไปเนี่ยเราคิดว่าราติดเม็ดแรกถูกนี่ก็นี่ก็ผิดแล้วจนชำนาญจนชำนาญ เริ่มใหม่ไม่แปลกเริ่มใหม่ไม่แปลก อ, อืมเริ่มใหม่ไม่แปลกถ้าเราปั่นจักรยานนะเออปั่นจักรยานในระยะทางสามสิบกิโลเมตรเราปั่นไปแล้วสิบห้ากิโลเมตรเราหยุดจั ก, กรยานตัวนี้แปลกไหม แล้วเราปั่นต่อระยะทางของเราเป็นไงมันก็ต่อไปบ่ต่อไปไหมก็ต่อไปมันไม่ใช่ว่าเราปั่นจกักรยานไปสิบห้ากิโลแล้วจอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อต้องวิ่งกลับไปสิบห้ากิโลแล้วก็ไปตั้งต้นใหม่ตรงนู้นมันไม่ใช่ตัวความเพียรที่เราทำหน้าที่ในองการประคองมันจะบ่มตัวฉันทะและตัวศรัทธา ไปด้วยกันตัวฉันทะและตัวศรัทธาคือความเชื่อและความน้อมใจเข้าไปเนี่ยมันจะบ่มขึ้นมาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปถ้ามันเกิดการลังเลเอ้มันใช่ไหมมันถูกไหมถอยออกมาเริ่มใหม่แล้วก็ประคองเข้าไปประคองเข้าไปมันจะเร็วยิ่งขึ้นมันจะเร็วยิ่งขึ้น ในทีนี้เดี๋ยวนะไอ้ที่ถามกันแบบนี้แสดงว่าทุกคนรู้แล้วว่าดูลมยาวเป็นอย่างไรทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่ารู้ลมยาวรู้อย่างไรเห็นถ้าคําถามแบบนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยแสดงว่าทุกคนรู้แล้วว่ารู้ลมยาวเป็นอย่างไรอ้าวเพราะฉะนั้นในเรื่องการรู้ลมหายใจมันจึงมีเรื่องที่จะต้องจําและทําให้ถูกกี่เรื่อง หนึ่งจาไว้รู้อยู่ที่เดียวนะรู้อยู่ที่เดียวรู้ลมยาวตามความนานของลมเนี่ยเนี่ยรู้ลมยาวตามความนานของลมหายใจไอความนานนี่เข้าใจยัง ถ้าเราไม่ให้มันไม่รู้ความนานไม่รู้ความยาวของลมตามความนานเนี่ยเราก็จะกลายเป็นรู้รู้ความยาวของลมตามระยะของลมถ้าเมื่อใดที่เรารู้ลมยาวโดยตามระยะของลมมันจะเป็นลมหายใจแบบอื่นนะแบบโยคะแบบไหนก็ได้แต่ไม่ใช่อานาจะเป็นอานาปานสติภาวนาไม่ได้เพราะอะไร ถารุลมหายใจตามความยาวของลมไอตามความยาวของลมหายใจระยะทางแบบระยะทางเนี่ยนะจิตมันจะต้องไปปักอยู่กับลมหายใจพอจิตปักอยู่ลมกับลมหายใจภาวนาไปสักพักเราเป็นอะไรเราก็เป็นลมลมก็เป็นเราแล้วก็เกิดเป็นสภาวะต่างๆขึ้นมาอุปกิเล์ทั้งหลายเกิดขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นของดีหมดมันถือว่าเป็นของดีเพราะว่าเรา เรากําลังหายใจยาวเรากําลังหายใจสั้นเรากําลังหายใจยาวข้าวเรากําลังหายใจยาวออกเรากําลังหายใจยาวเข้าวเรากําลังหายใจยาวออกเรากําลังหายใ จ, ย, ย, ใจยิ่งหายใจมากเท่าไรความเป็นตัวเราเพิ่มขึ้นเท่านั้นยิ่งเพียนไปเท่าใดเขาถึงบอกเอ๊ะทำไมเมื่อก่ ähnlich, มมกกอนดีมากเลยพอไปภาวนาแล้วทําไมมันยิ่งโกรธง่ายเนาะ เพราะมันไปพอกพูนอะไรไปพอกพูณเราส <c oughs> <c oughs> ังเกตไหมบางคนอยู่บ้านโอ้ยใจดียิ้มไปนั่งกรรมาฐานมาเจ็ดวันกลับมาขี้โกรธชิบหายแรงไหมไม่แรงเนาะ <c oughs> อ้าวมีคำถามไหมถาม ฮะถามบอเอาตัดคำถามให้เราเออเอาเอ า, เอาลูกบอหัวตะพาลมเนี่ยมันก็มันคือสุดทิ้กระทงก็คือมันต้องคู่กับนิมิตเสมอเออคํถาถามนี่ดีหัวตะพามรมมันต้องคู่กับนิมิตเสมออ่อเราคาความเข้าใจก่อนนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้ โภทพารม์ก็คือสิ่งที่จิตผู้รู้เข้าไปรู้ถูกไหมสิ่งที่ผู้รู้เข้าไปรู้ลมหายใจที่ไหนที่นิมิตเขารู้ตรงไหนล่ะที่นิมิตอ่ะรู้ตรงที่มันเป็นโภทพารณ์จริงๆเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็ได้รู้อยู่ที่เดียวที่รู้สึกถึงลมกระทบจบแต่พูดให้แยกให้เห็นว่า มันไม่ใช่ว่าไอ้ที่ลมกระทบอย่างเดียวแล้วมันจะมันจะอะไรมันมีรายละเอียดก็มันเป็นอย่างนี้ในที่ลมกระทบนั้นน่ะเรียกว่านิมิตและตรงที่จิตเข้าไปรู้ลมหายใจที่กระทบนั้นน่ะเรียกว่าโผทะพารลมคำว่าโผทะพารณมก็คือสิ่งที่ไปกระทบกับกายประสาทเรียกว่าโผทะพารลมอ่ออันนี้คืออะไรนักเรียน นักเรียนอนุบาลจะตอบว่าช้อนแต่นักเรียนธรรมะจะต้องตอบว่ารูปใช่ไหมนี่คืออะไรรูปรูปใช่ไหมเออรูปอ้าวนี่คืออะไรนักเรียนอนุบาลจะตอบว่าหลังมือ เป็นักเรียนธรรมะจะต้องตอบว่ากายประสาทถูกยังอ้ารูปกระทบกับกายประสาทกระทบกับกายประสาทบางเกิดเป็นโผทับพารมโผทับพารมเอาไปลองดูไหมดู จะได้ถามจะได้รู้ว่าโผล่สภารมเกิด อ, อะไรรู้ยังเนี่ยเสร ป, ปับ๊บเกิดการกระทบกันระหว่างรูปกับกายประสาทเรียกว่าโผล่ธาปารมเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นลมหายใจข้างในใช่ไหมลมหายใจเป็นอะไรนักเรียนรู้ถูกไหมเออถูกไหมแล้วบริเวณนี้เป็นอะไร กายประสาทรูปกระทบกับกายประสาทเกิดความรู้สึกได้ส่วนนี้เรียกว่าโผธาพารมสถานที่ตรงนี้เรียกว่านิมิตเก่งไหมโอ้โหแต่ดีมากที่สอนที่ถามทำให้คนอื่นเข้าใจบางคนไม่เข้าใจแต่ไม่รู้จะถามยังไงนะเอ้าออมีคำถามอีกไหม เรไม่เคยรู้สึกตรงนี้เลยทําไมคราวนี้รู้สึกตรงนี้ถ้ามันก็จะเริ่มมีความอะไรของเพราะว่าเราเราปักอยู่ที่นิมิตมากปักเกินไปปักเกินไปทําให้เราเกิดเป็นสัญญานิมิตสัญญานิมิตว่าของฉันมันตรงนี้ <c oughs> พอปักตรงนั้นเสร็จมันเกิดเป็นสัญญานิมิตป่าของฉันมันตรงนี้ <c oughs> ดีนะไม่อยู่ที่ตา <c oughs> พอปักก็ไปมันเป็นสัญญาณนิมิตว่าของฉันตรงนี้พอมันไปรู้สึกตรงอื่นเฮ้ย mm hmm. hey, ผิดอะไรป่าวะ mm hmm. ถูกไหมอืมการปักนิมิตนั่นน่ะไม่ไม่ไม่เป็นเป็นสิ่งที่เอื้อต่อสมาธิเท่าไหร่เพราะว่าปักไปแล้วความเป็นเราจะแข็งแรงจะเพิ่มพูนทีนี้เวลามันมี สภาวะอะไรเกิดขึ้นมาที่จิตก็ไปเสาเวยอารมณ์มันจะเป็นเราที่แรงมากใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเรื่องของนิมิตทำยังไงทำความเข้าใจอย่างนี้เพราะเหตุนี้จึงแยกให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าตัวนิมิตมันประกอบขึ้นด้วยอะไรนิมิตคือเป็นแค่สถานที่สำหรับอาศัย ตัวที่เข้าไปรู้คือโผทัพพาลมจิตผู้รู้เข้าไปรู้ตรงที่มันเป็นโผทัพพารมโผทัพพารมมันเกิดตรงไหนเกิดตรงที่นิมิตมันเกิดตรงไหนตรงนั้นก็เป็นนิมิตแล้วก好好็ที่บอกว่าเดิมทีเราสังเกตได้ว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วทําไมมันมาอยู่ตรงนี้ทําไมมันอยู่ตรงนี้ไอ้นี้เรื่องของเราหรือเรื่องของมันฮะเรื่องของเราหรือเรื่องของมันฮะ เรื่องของมันถ้าเราไปปักลงไปที่นิมิต ท, ที่มันปรากฏอยู่นั่นอสดงว่าเราเอามันมาเป็นเราเรากําลังจะเอาตัวเราเข้าไปเป็นมันมันกับเราคนละตัวกันอืมฮะลมหยุดนะเดี๋ยวก็กลับมาหายใจก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ร, รับลมหยุดลมหยุดก็ดูลมหยุดมันไม่มีการสะดาฮะไม่มีการสะดาเพรดูลมหยุด ดูลมหยุดแล้วดูสะพักเดียวเขาหใจออ่ะดูทะพักลมหายใจมาก็รู้ลมก็มีลมหยุดก็รู้ลมหยุดพอลมหายใจเข้ามาก็แค่รู้ลมแต่ลมหายใจเราจะต้องเกาะไว้ทาไมจึงเป็นอาณาปานาสติก็เพื่อให้ใช้สติกับสมาธิกเกาะอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ใช่เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องอยู่นะถ้าเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มันจะเป็นวิหารสมาธิ แต่อนาปานสติภาวนานเป็นนิพเพธิกะสมาธิแปลว่าอะไรว่าไมา่ทราบแล้ว <laughs> <laughs> นิพเพธิกะสมาธิคืออะไรอ่ะเออเป็นสมาธิที่เรียกว่าขัดเกลานถ้าแค่วิหารสมาธิไม่ยากเอามาเป็นเครื่องอยู่ยาานะฮะ ไม่ไมในยามปกติเราเอาเป็นเครื่องอยู่ได้เป็นเครื่องอยู่ก็คือว่าให้ให้สติสมาธิประคองอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ได้ได้หมดอนะได้ได้แต่เมื่อเข้าถูงลำดับของอานามีลมหายใจหยุดเราก็เอาลมหายใจหยุดเนี่ยให้จิตเข้าไปทําการเขาเรียกว่าอะไรปัสซ้ำพยัญกลายอัชชังข้ารังอัจฉริสมีติสิกติให้ศึกษาว่า เห็นให้ศึกษาว่าเราจะรู้แจ้งในลมหายใจหยุดหายใจออกเราจะรู้แจ้งลมหายใจลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกับหายใจเข้ามันเป็นเพียงแค่หายใจเฉยๆให้จิตเกาะไว้แต่จิตจะทำหน้าที่ในการศึกษาลมหายใจหยุด รู้ลมหยุดไปเรื่อยๆดูบอลเรื่อยๆจนมันชํานาญน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหลังจากนั้ น, นค่อยไปดูและตัวที่จะเป็นสภาวะอย่างถูกต้องซึ่งจะทํากิจต่อไปที่จะต่อจากกังวลใจหยุดก็คือตัวปิติอปิติเกิดในขณะที่เรายัางอยู่ในลมหยุดไม่สมบูรณ์หรืออยู่ในลมยาวลมสั้นนี่ปิติก็เกิด กิได้หมดแต่เราถือมาเป็นกิจไม่ได้ไงถ้าเราถือกิจไม่ได้แสดงว่าอะไรากรรากลังกระโดดเรากาลังกระโดดจากบันไดขั้นที่หนึ่งแมไอาตัวง้อยเปลี้ยเสียขามึงบางอาจมากที่จะกระโดดจากบันไดขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่หกเนี่ยมันมีแต่จะร่วงมีแต่จะร่วงใช่ไหมล่ะเออ ทำกิจที่มันเป็นสภาสที่ถูกถึงบอกว่าข้อที่ควรคือสวดอาณาปานนะสติสูตรให้ได้แล้วก็ไ ล, ล่เรียงสภาวะจากการฟังอย่างนี้แหละแล้วเราไปปฏิบัติมันก็จะมีสภาวะมารองรับการปฏิบัติของเราเราก็จะเข้าไปได้แต่ละกิจแต่ละกิจแต่ละกิจสนุกสนุกไหม <laughs> กหลวงพ่อบอกสนุกแต่ดิฉันไม่สนุกด้วยหรอกเจ้ากับ <laughs> อา้า แค่รู้มันรู้ได้ทุกคนแหละมันเป็นสภาวะที่มันรู้ได้เพราะอรู้มันละเอียดเราแค่รู้แค่รู้ไม่ต้องไปตามรู้เขาก็แค่รู้ไปก็แค่รู้ไปก็ เ, เหมือนเราขับรถเราเห็นข้างซ้า ย, ยหไมหมฮะไอาทาไมไม่หันหน้าจ้องเด่ข้างซ้ายม <laughs> เห็นข้างขวาไหมไอาทาไมไม่หันจ้องเด็กข้างขวา เพราะทำไมเราจึงขับรถอยู่ได้ทั้งๆที่เราเห็นซ้ายเห็นขว า, าแค่รู้เราแค่รู้เท่านั้นเองเหมือนกันเลยเราก็แค่รู้ไปแต่อาการสภาวะที่มันเกิดในขณะในสมาธินี่มันมีต้องยอมรับว่ามันมีความ a ิ e r t อ่ะมันมีปักใจความประหลาดใจเออเรียกว่าความประหลาดใจที่มันไม่เคยเกิดจากการที่เราได้เห็นด้วยตาได้ดินด้วยหูใช่ไหมมันปรากฏจากด้านในอะไรว่า ยากการที่เรารู้เเฮ้ยหน้าอกมันกระเพื่อมไว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมอยู่ตรงนี้ที่นิมิตความรู้ลมแล้วก็แค่รู้ในสิ่งที่มันปรากฏแค่รู้เพราะมันไม่ใช่เหตุที่จะต้องไปทำให้มันชัดเจนมันก็แค่รู้แค่รู้มันก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามาเป็นเส้นทางของผู้ปฏิบัติที่จะต้องเจอสิ่งใดใดจามันแค่นี้ยวว่าดิ สิ่งใดๆที่ปรากฏจิตกำหนดอย่าหุนหันแค่ดูและรู้ทันแล้วจึงหันมาร้ลมเออแมน่นจริงๆริวันนี้มีไหมเกลี่ยไหมหมอเออใครมีคำถามอีก